วันนี้จะเทศนาเ่องเนื่องรวมใจที่จริงก็เทศมามา ก, กแล้วการรวมใจใก็เทศหลายครั้งหลายหมดแล้วเทศที่ไหนก็มีจากใจจึงว่าธรรมเทศนาคิดเทศนาไปเทศนาไป เขาลงของเก่านั่นแล้วไม่ใช่หลุดไรแล้วคนไม่เห็นของเกา่าเฉยนี่แหละยังเข้าใจเป็นของใหม่สิ่งทั้งหลายของมดในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของเก่าทั้งนั้นแล้วเกิดมานี่โดนด็กกลามาพบ อยู่ในกามาภูมิอยู่ในกามใกิเลสตายแล้วเกิดอยู่ในนี้แหละไม่ได้ไปไหนอันนี้ก็ภูมิเก่าพบเก่ากเิ่งิผมเก่าเกิดมาเอาธาตุจที่นาถไปลงมากเกิดกับท้องเก่านะแล้วจะเป็นลูก สวยรูงานรูปดีรู ป, รปชั่วรูปผู้หญิงผู้ชายก็เอาธาตุสี่นั่นแหละมาเกิดตายไปกับผมเก่านั่นแหละสลายไปดินน้ำไปรลงของเก่ามันไม่นอกเหนือจากนี้แหละต้นไม้ภูเขาสรารพัดดินห้าดินที่เกิดอยู่ในพื้นแผ่นเนื้อนี้ พอรู้ว่านี่จากของเก่านั่นน่มาเกิดเกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์คนเราไปเก็บไปเด็ดมาฉันมากินก็กินของเก่านั่นนหะกินไปกัไปเป็นมูดเป็นคู่ไปตกกระีของเก่าอ่ะนะเป็นพักเป็นไม้ กิขึ้นมากัเจ็บมากินกับของเก่านั้นนะะเรียนไหวอยู่อย่างนี้แหละมาแล้วตลอดเป็นสักระที่ให้พิจารณาเหี่ยวของเก่าห้าสี่น้าไปลบของเก่าขันห้ากับของเก่าอายตนาทั้งหกกับของเก่าอายุนาสิบสองกับของเก่าเราใช้กันอยู่นี่เลย ไม่มีหมดมีสิ่นเป็นสากทีแต่นั้นแต่ไรมาพอมาเกิดก็ใช่เลยบรนดับไปกันสลายเป็นของนึ่งเป็นท่าที่นำไปดูของเดิมและพูทธดเจ้าอย่างเทศาสนาเอสะธมโมสนันตะนาวรมทีมของเก่า มาทุกข์กับของเก่าทุกข์กับมาเคยทุกข์อื่นใครอะไรเราก็ทุกข์อันนี้แหละชาติชราพยาธิมรณะไล่กันอยู่นี่แหละไม่แล้วไม่หลอดเป็นสักทีชาติกับตัวของเรานี่แหละชรากับตัวของเราเนี่ยไม่ใช่อื่นใครมรณะกับตัวคนนี้แหละ โสกาปิเทวทุกขโทนั้นอะไรทั้งหมดรวมในภูณีท้งนั้นพูดไปมันก็ขว่วแต่พูดของเก่ า, าเรื่องจิตว่าเรื่องเจตสิกก็จิตของเก่านะมันขยายออกไปเป็นจิตเปลี่ยนเจตสิก่วงข่วไป จริงว่าจะรวมเข้าไปทานี่อันนั้นก้วงขวงไปพอแล้วมันก่วงอยู่แล้วเราเลยไปยึดไปถือตามของก่วงอันนั้นนะมันขยายออกไปกุ้งขวงที่สุดนันนี้ขอบเขตธรรมเทศนาที่พระองค์สอนให้รวมเข้ามาในใจมนรวมไ่ที่ใจนี่ เือให้เห็นว่าข้อนั้นมนเกิดจากใจใจเป็นรูปไปคิดไปนึกไปคุกคามไปแต่สตรารพัดทุกอย่างมดมันออกไปจากใจคนเดียวนี้แหละเหมือนกันกระพืชผลต่างที่วานบนในดิน ไม่มีการเก็บสักทีเป็นลูกเป็นผลขึ้นมาแล้วแบบนี้ไม่รู้จะเก็บสักทีวานเลยมันเกิดขึ้น เ, เกิดผลเป็นลูกเป็นผลขึ้นมากระจกระจายไปมัดแต่ตัวของเราไม่เก็บข้ามารวมไปสักทีที่เกิดขึ้นมานั้นไม่กระจายไปแล้ว ถ้าลองคิดดูใจของคนเราตั้งแต่เ ก, เกิดถึงวันตางใครบ้างที่รวมใจได้ที่รวมใจเป็นหนึ่งได้ใครบ้างนอกจากพุทธเจ้าที่สอนไม่มีใครถ่อมสอนแต่ทุกวันนั้นนี่เราก็ฮัดอยู่แคท่ทุกวันมันก็ยังไม่รู้ พุทธศาสนาสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารวมใจสอนถึงที่สุดคือรวมใจได้ไม่มีอะไรหรอกถึงที่สุดของพุทธศาสนาคือรวมใจได้นั่นแหละทุกคน ส่วนนิชาภายนอกที่เรียนมาไม้หลายแขนไม่มีรวมเลยนิ่งเรียนนี่เคยแพ้พ่วงคงแม่แต่พุทธศาสนาแล้วก็เรียนพ่วงคงไปนักทำดีทวเอกระไรต่างพ่วงไป แท่ที่จริงนงินลักสูรไปเทควงให้รวมมาทางนั้นน่ะแต่มันไม่รวมคนเราไม่รวมอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระพุทสอนเรามาแต่ไม่นแต่ไรมาเขากราบตั้นตน่ะเอากราบน่ะกราบสามผล หมายความถึงพระพุทธประธานประสง์แล้วมีกี่ครั้งละคนี่เราลึกถึงพระุทธประธานประสงค์กล่าแลกก้วกล่าวเราไม่ทะลึกเลยไม่คิดถึงพรุทธประสงค์เลยสักทีกลาวแล้วกล่าวลาราก็แค่นั้นเนี่ยเอาสอนให้ไหวฟ้ายีติโสเออเอาเอ บ้าวกระจกเต่าการที่จะนึกถึงเขาพูดถิจะว่าไ้ว่าอล้วแล้วไปโสัโตลึกถึงพระธรรกเหมือนกันสุปฏิปโนลึกถึงคุณะสมก็เหมือนหมดไปล้วสองสองชั่วอสองครั้งอะักระดามหอนลึกถึงพูดพระธรรสมก็ไม่ได้ ไม่ทีพ่พิโตสุตโตทุเป็โนโอเราลืกถึงปุรุภะธรรมประสงค์ก็ไม่ได้จิตเอาโดยยอ่อเอาก็ทาเอาอะไรเอาพระไกลสนะโสพุทธังธรรมานังค้างก็แล้วกันจบนย่นางแล้วกัไม่มีเราเลือกถึงปุรุภะธรรมประสงทุติยติทุติตติ ตั้งสามหนสามขาเป็นเก้าข้างเก้าข้างก็ไม่แล้วไม่ไม่ถึงสักทีจเจ้ายังไงกันขานสอนให้จิตมันรวมมือแพร่นั้นอ่ะก็ไม่ได้ให้ไววให้ให้ทำสมาธิโทนาให้เอานาปาสติ เ ล, ลึกถึงลมหายใจใเข้าออกแค่นี้คือความตา ย, อยาเองหายใจเข้ามาหายใจออกก็ตายหายใจออกมาหายใจเข้าก็ตายออกใกล้ๆจริงๆเลยให้เองความตายหายใจได้กลัวมันก็ไม่อยู่อีกอลยวิ่งวนไปไหนก็ไม่รู้ นี่แเราพูดในศาสนาสอนสอนให้เรารวมทีเดียวรวมแค่นหนึ่งทีเดียวแต่มันไม่รวมการที่จะรวมเข้ามาทางนี้มากลัวคนแต่แล้วกลัวจะไม่เกิดอุบายปัญญากลัวจะไม่ฉลาดปู่อยู่นู่นกลัวจะอญญายใหญ่ไปโตแล้วปัญญาเกิดจากสมาธิ รวไว้ท่าเนี่ยที่ไหนมันจะเป็นสมาธิได้สมาธิแปลว่าจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวก็คือเข้าถึงใจนั่นเองเข้าถึงใจแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยไม่รู้ว่าใจอะไรไม่รู้ว่าจิตเป็นไอ้ใจเป็นไง จับไม่ถูกมันยากเหลือเกนินการที่จะมีอุบายเ ย, าย็บอายจับใจตนเองได้นั้นยากนักยากหนาแต่ทุกคนก็พูดถึงใจด้วกันทั้งนั้นเป็นทุกข์กาใจเรียกว่าทุกข์ใจเป็นโศกทุกโศกอะไรต่างใจมั เดือดร้อนจะร้อนใจเศ้าโศกเสียใจอะไรกับมดตรงใจนั่นแหละอยู่ที่ใจเห่งเดียวไม่เดียวว่าหายนอกแต่ตัวใจแท้ไม่ทราบว่าอยู่ไหนคนที่ไม่รู้จักใจอนนะไะยังค่อยหาใจไ่แล้วไม่หลอดเป็นองซักที ถ้าจะรู้จักถ้าจะให้รู้จักใจนะทำอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆทีเดียวว่าไปกว้างมัน ก, กว้างไรใจคือควมเป็นกลางกลางอยู่ตรงไห น, นตรงนั้นอนะ่ะเป็นใจคำปริกรริริยารื้อเรียนรู้มามากมายแล้วอะไรก็ตามถึงมันเป็นสัญญา ความจำไว้ต่างๆเป็นสังขารความปรุงความแต่งมันไม่เข้าถึงใจเวลจะถึงใจจริงวางมดของพนันเข้าถึงใจอารมณ์เดียวใอ้พี่มันวางลองคิดดูดิความคิดความอ่านความปรุงความแต่ง ชั้ญญานารานีปังเวทนาขวาง ม, มดมันวางหมดแล้วมันจะเป็นอะไรกันมันวางหมดก็เฉยอย่างดีมันอยู่คงกลางกัดีแหละเราคงกลางนั้นเนี่ยตัวใจตัวนั้นอ่ะชั้นยาเราเนี่ยปัง ม, มดปล่อยวางเถอะผมคิดผมอ่านขวาง ม, มดปล่อยวางขวาง ปล่อยว่าแล้วมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางนั่นอันนั่นแหละตัวใจให้จับเพนนั่นอหะให้ได้ไม่มีต้นมีตัวหรา อ, อยู่ทั่วไปมด่วแต่เนี่ยใจอยู่ในกายนี่ก็ได้ไปอยู่ในสิ่งอื่นก็ได้อยู่วัตถุเจ้าของความมด่วได้ั้งนั้นอ่ะแต่มันไม่อยู่แท้มันไปไปมาอยู่ คือใจไปส่งไปเรียกว่าใจส่งไปอยู่กับปูกับคนอื่นคนอื่นนันก็ได้มนอยู่ตัวตัวนี้ก็ได้ไปอยู่กับทุสิ่งของใดหมดมันให้อยู่ในสิ่งใดเลยค่ะนี่สิ่งอะไรก็หมดทั้งหมดก็วางหมดอะไม่ไปยึดไปถือไม่ส่งไปละมันก็วางก็เฉย อ, ยอยู่นี่ามเฉย อ, ยอยู่นี่เลย อันนั้นตัว ก, กลางตัว ก, กลางๆนะตัวเฉยๆ ม, มันจะมีประโยชน์อะไรนะทานนี่มันเป็นกลางก็เป็นประโยชน์นะไรนั่นแหละประโยชน์มหาศาลเมืนก็ไฟฟ้าเนี่ยปิดหมดซะสี่หลอดถ้าเราก็ปิดหมดซะให้มารวมอยู่หลอดเดียว แสงสว่างก็เป่งตรงเต็มที่เลิหรือแก๊สอันนี้อัดอันหมดซะพอเปิดอันน้อยหนึ่งก็ปูเต็มที่รืดห้ามันน่ยปิดถ้ไม่ให้ไหลออกไปไปเจาะออกไปอีกอองหนึ่งมาเป็นรูไปนิดเดียว มันไหลพู่ไปแล้วเต้นที่เลยใจก็เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งเปิดนะใจไม่เปิดง่ายไม่ไหนแล้วให้มันอยู่เต็มที่มักกว่าเวลาเปิด้วเปิดเองหรอมันคล่องแค่วหรือเกินอันที่มันเปิด สัญญารวมทั้งการนิดหน่อยมันก็ออกไปเลยถ้าไม่เชื่อทัาอย่างนี้ก็ได้ดูกลางๆมันทำให้มันอยู่ใช่กว่ามันอยู่ได้นานชั่เท่าไหร่อันนี้ลองคิดดูมันเปิดเดงไหตัวนั้นเน่ยปิดให้มันอยู่มันอยู่นานชั่เท่าไหร่ห้านาทีสิบนาทีอยู่ได้ไหม กันที่มันได้อยู่คือมันเปิดจิตของเราถ้าหาดว่ามีพลังเต็มที่ในการสมบอยู่แล้วมันสามารถจะออกไปทำให้กิจธุระภาลาได้อย่างดีที่สุดเห็นนั่นจริงวราอย่า ไปสงสัยเลยว่าจะไม่เกิดความรูปของฉันการที่เห็นจิตของเราตั้งอยู่เป็นหนึ่งจิตของเราเป็นอารมณ์อันเดียวการเห็นจิต น, นั้นได้ชื่อว่าปัญญาแล้วใครจะไปรู้ได้อย่างนั้น ใครไม่สามารถทำได้อย่างนั้นการเห็นจิตของตนสงบนิ่งแนว่วไม่มีความคิดแต่ว่ามีแต่ผู้รู้ที่่วยแต่ความคิดไม่มีอจจะเป็นของสูงสุดเยอะที่จะทำได้แต่ขอให้ทำให้ได้เลยก่อน จึงว่าอย่าเพิงไปสงสัยเลยว่าจะไม่เกิดรูปายปัญญาแต่ความไม่พอใจของเราต่างๆหาอยากได้ความรู้ข่วงของใช้ปัญญาฉลาดเทียบแล้วรู้อะไรไม่เท่ารู้ตัวเองฉลาดในไม่เท่าฉลาดรักษาใจของตนี้ไปรู้จริงอื่นไม่จะทํำมิสุดให้เราได้อย่างไง เรารู้เราเองอั่นสิทำบริสุธิ์ให้เกิดเป็นแกดหลวงเราได้นั่นในความประสงค์ของพุทธศาสนาเหตุนั้นเองว่าเทศนาวันนี้เทศนารวมใจเอาใจอันเดียวความรู้ความฉลาดพวกญาณโยมทั้งหลายก็ได้ ดูได้ตำหนักตำราได้ดูมาแล้วมากมายเลยเหียนั้นขอให้รวมเอาใจนี้เถอะรวมใจอันนี้ให้มันได้เป็นหนึ่งเะก่อนไม่ต้องเอาอะไรละเอาอันหนึ่งนี่ละเอากลับไปบ้านไปช่องของเราก็เอาหนึ่งนี่ละเอามากมายเอาไม่ไหวแล้วเอาหนึ่งเถอะก่อนเอาักที่เสอเรื่ น, นี้